ตนวิโยคาวิจรทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาขอพูดถึงกรสินรวมคําว่ากสินรวมนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็หมายถึงว่าผมจะพูดถึงกรสินทั้งสิบอย่างกระสินทั้งหมดมีสิบอย่างนี้กันก็คือหนึ่งปฐวีกสินการเพ่งดินสองอาโปกสินการเพ่งน้ํา สามเตโชกสิลการเพ่งไฟสี่วายโยกสิลปการเพ่งลม <c oughs> แล้วก็ห้านีเละกะสิลการเพ่งสีเขียวหปิตกากสิลการเพ่งสีเหลืองเจ็ดโลหิตะกะสิลการเพ่งสีแดงแล้วก็แปดอะโลกสิล์การเพ่งสีขาว เกเอาขอโทษ 8. ดโอทาตะกระสินการเพ่งสีขาว 9. อ้าอโลกระสินการเพ่งความแสงสว่างส0บอากาศกระสินเพ่งอากาศ <c oughs> สาหรับการเพ่งกระสินนี่ก็อยู่ในสภาพอันเดียวกันกับอธิบายที่มันแล้วถจะหาแนวการพูดก็ให้มากๆ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 แปลว่าเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทำแบบนั้นที่ผมทำกันมาเนี่ยผมไม่ได้ทำแบบนั้นหล้วว่าหลายๆท่านที่ปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าเราอยากจะดูดินก็ดูดินจุดใดจุดหนึ่งเท้าปั่นเท้ก้นได้ขนาดไม่จำกัดนี่ก็ลืมดาหรับตาลืมตาดูอย่างดูเช่นเดียวกับดูไฟของพระลูกชาย ซึ่งดูสีแดงของพระลูกชายในช่างทองคือไม่ต้องสร้างแบบเป็นกรณีพิเศษเอาแบบของพระพุทธเจ้านะั้ถูกต้องแล้วเมื่อเราอยากจะปฏิบัติปฐวีกสินแล้วก็ดูดินปฏิบัติในเตโชกสินแล้วก็ดูไฟสำหรับไฟนี่ก็ไม่กันเวลาที่ผมทำกันผมก็ใช้เทียนธรรมดา ไม่ใช่ใช่อะไรแตกต่างไปกว่านี้ดูเปลวไฟให้เปลวเรียกว่าดูเฉพาะเนื้อไฟอย่าไปเอาฟันคฟานี่เอาโปกสินผมก็ใช้กับสินสเอาน้ำมาใส่แก้วบ้างเอาน้ำมาใส่ขันบ้างดูไม่ก็ไม่มีอะไรบางทีไปนั่งอยู่ที่สะพานน้ำเห็นน้ำไหลผ่านหน้ามาแล้วก็ดูน้ำอย่างนี้มันก็ใช้ได้ แล้ววาโยกสินก็โดยการไหวไปไหวมาของยอดไม้ก็เอาจับนิมิตยอดไม้มันไม่เห็นนี่ลมในเมื่อมันไม่เห็นลมแล้วก็จับยอดไม้เป็นสําคัญอาการไหวไปไหวมาของเบายอดไม้และกิ่งไม้นั่นเราไปพิจารณากันด้านวาโยกสิงค์นิ <c oughs> น้งไมกสินเมื่อกี้อาปูวาโยเห็นจะจบแล้วสิ น, นะ กระสินดินกระสินลมกระสินไฟกระสินน้ำนี่จบสี่กระสินแล้วแล้วก็มาสำหรับกระสินสีเขียวเราก็นั่งมองดูสีเขียวกระสินสีเหลืองเราก็ดูสีเหลืองกระสินสีแดงเราก็ดูกระสินสีแดงกระสินสีขาวเราก็ดูสีขาวเอาไว้สีขาวผมก็ติดกระสินไปเรื่อย ก็ดูสีตามนั้นตอนนี้อา่าอากาศกสิณนี่ยก็ดูอากาศแสงสว่างแล้วก็ดูแสงสว่างก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักจะไปหานโยบายพูดกันให้มากแล้วก็มีค่เสด็จมากๆคนจะต้องศึกษาเกสิ่งกองใดกองหนึ่งก็ต้องซื้อคเสด็จอันหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่วิสัยของผม ผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านเสียสตางค์มากถ้าผมทำแจกได้แต่ผมจะแจกเสียให้หมดไม่อยากให้ใครเสียเงินเลยแต่เมื่อเอินทุนมันไม่มีถ้าทุนมีจะทำอย่างนั้นตั้งใจเดิมเพื่แบบนั้นแต่ไม่ทราบว่าความตั้งใจของผมมันจะสงความปรารถนาหรือไม่เป็นอันว่าเราก็ดูภาพนิมิตคือสีตามที่เราต้องการ แต่เมื่อนิมิตเกิดขึ้นมันก็มีสภาพเดียวกับนิมิตที่ปรากฏกับพระลูกชายในช่างทองคือนิมิตจริงๆที่เราต้องการสีเดิมจะเป็นยังไงก็าตามสิ่งที่ต้องการต่อไปมันจะกลายเป็นสีขาวที่เน้อยดินน้อยแล้วก็เป็นสีประกายพลิกนี่ผมจะมาธิมายมากคนแนวทางองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าที่นํามาแนะนําไว้มีอยู่แล้ว ปรากฏว่กากระสินของท่านเป็นบากายพลิกทั้งตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องราวของพระในช่างทองก็สแสดงว่าจิตของท่านเป็นฌานที่สี่ตอนนี้ท่านก็พิจารณาในในวิปัสสนาภาวนาหรือว่าพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปที่จิตใจมันเลื่อนล่างท่าจะโฟนท่ายก็หันเข้ามาจับกสินใหม่ จะเป็นกระสิงกองไหนก็ได้ผมไม่ได้บังคับทุกองถ้าหากว่าท่านพอใจกองใดถ้าทำกองนั้นได้ทิ้งชาญสี่ก็ใช้พิจารณาตามนั้นเมื่อจิตเลือนไปก็จับภาพนิมิตใหม่ให้จิตใจทรงตัวมีอารมณ์คร่องมีจิตเป็นเอก ะ, กะตาตารมณ์อารมณ์ไม่วแกแวกทรงตัวดีแล้วปัญญามันก็เกิด ปัญญาเกิดตอนนั้นมันเกิดดีกว่าปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมากมีความแหลมคมถ้าปัญญาเกิดทรงตัวดีสมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็หันเข้ามาใช้พิจารณาต่อไปทําอย่างนี้สลับกันไปสลับกันม า, นานมันได้ฌานสี่แล้วมันได้ฌานสี่แล้วถ้าใช้วิปัสสนาญาณเชืริยสัตว์เป็นต้น หรือพิจารณาขั้นห้าเนื้อพิจารณาในวิบาสนาญาณเก้าก็ได้ตามใจชอบนื้พิจารณาในตอนนี้ท่านจะไปเปรียบเทียบกับนอนสตินัสปกรรมฐานาหาเรปริกูรัสัญญาเจตธาตุฐานสี่พอายาในมหาสติสติฐานก็ทำได้ทุกอย่างสุดแล้วแต่ใจของเราต้องการให้เห็นว่ากายนี้มันไม่ดีให้ได้ แม้เมื่เห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีจิตใจของเราไม่ยึดถือในร่างกายเป็นสําคัญไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการความเกิดอีกเท่านี้มันก็จบในการเจริญวิปัสสนาญาณกรรมฐานที่ว่าจบกิจในพระพุทธศาสนาถ้ามีอะไรไม่ยากในเมื่อของไม่ยากผมก็พยายามพูดให้ไม่ยาก แต่คืนว่าผมพยายามพูดให้ยากก็เป็นอาจเป็นการทําลายศาสนาเขาองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคยาวไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> <c oughs> นี่แนวทางปฏิบัติในกสินทุกกองใครก็จะให้ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกระบอกชายในช่างทองอย่างนี้เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธ ถ้าต้องการจะปฏิบัติเพื่ออิทธิฤทธิ์ก็จงปฏิบัติตามนี้ทํำกระสินทั้งหมดให้ได้ฌานสี่ทั้งหมดอย่าลืม <c oughs> ว่าทำกระสินทั้งหมดนี้ให้ได้ฌานสี่ทั้งหมด <c oughs> เมื่อทรงฌานสีจ่จนคล่องก็ต้องคล่องจริงๆนึกขึ้นมาเมื่อไรเวลาใดก็ต า, าม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 หรือว่าปฏิบัติในวิชาสามแล้วก็ใช้กระสินกองเดียวถ้าหากว่าเราจะทำให้เป็นอภิญญาหกตามแบบท่านบอกว่าต้องใช้กระสินแปดอย่างแต่สำหรับความรู้สึกของผมเห็นว่าควรใช้หมดทั้งสิบอย่างมันไม่ใช่ของยากความจริงเป็นของง่ายเราทำกระสินกองใดกองหนึ่ง หรืว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นชาลสี่แล้วที่หลังเราก็มาจับกรสินอีกอย่างอีกเก้าอย่างใช้เวลาอย่างละไม่เกินสามวันเราก็มีความคล่องในชาล์สี่กระสินกองนั้นๆสิบเก้าเก้ากองเก้าสามยี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าหลังจากที่เราทำกรสินอย่างใดอย่างหนึ่งชำนานให้ชำนานจริงๆ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 ทรงเวลาก็ได้จะขยับขยายเวลาขึ้นเวลาลงก็ได้เป็นให้เป็นไปตามอัธยาศัยไม่ใช่สักแต่เพิ่วว่าหลับตาลงไปเห็นภาพลอยมาบางทีกว่าจะเห็นภาพได้กนนานแสนนานแค่เวลาทั้งหนึ่งนาทีสองนาทียังนี้ใช่ไม่ได้มันต้องได้ทุกขณะจิตกําลังกินอยู่กําลังเดินอยู่กําลังคุยอยู่กํำลับเพิ่งตื่นใหม่หมเหนื่อยมา แสนจะเหนื่อยร้อนกรอน็ร้อนกายก็ลาบากสามารถจับในมิจฉาสินได้ทันทีอย่างนี้ถึงจะมีประโยชน์แล้วอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ชื่อว่าคล่องล่องจริงจริงคล่องเหมือนกับเราหายใจเวลาเราหายใจนี่เราจะหายใจเมื่อไรก็ได้เนี่อว่าไม่มีคลมุมหายใจเป็นปกติชั้นใน อารมณ์จิตที่เราสามารถจะทรงชานก็ทรงชานได้เป็นปกติเหมือนกับลมหายใจนี่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะไปไปอดไปอ้อไปอดหรือว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านจําต้องทําอย่างนี้แล้วก็มันเป็นของทําไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นของทําได้จริงๆเป็นของไม่ยากเมื่อคล่องอย่างนี้เส้นหนึ่งกองกองอื่นอื่นนันก็อย่อย่างอื่นอนีกเก้าอย่าง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 เปลนไปกินข้าวกับแกงเปลี่ยนไปกินข้าวกับผัดเปลี่ยนไปกินข้าวก็อะไรก็ตามมันก็ไอ้กินข้าวนั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่ปกติเป็นอย่างนี้เมื่อคล่องอย่างนี้แล้วปที่หลังถ้าเราจะเล่นฤทธิ์ก <c oughs> ็เลยพูดกันไปเส้นเลยเป็นของไม่ยากแต่คําว่าไม่อยากนี่ผมไม่ได้หรนะเวลานี้จะมาถามเรื่องฤทธิ์เรื่องเด็ดผมไม่มี <c oughs> แก่แล้วออกฤทธิ์ไม่ได้ถ้าจะถามว่าเดิมออกฤทธิ์ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้เวลานี้ถ้าผมจะตายใครจะฆ่ า, าผมตายฤทธิ์ผมก็ไม่มีผมก็ตายพ้นถือว่าเรื่องความตายเป็นของธรรมดาตายเมื่อไรหมดทุกเมื่อ น, นั้นบางคนจะไปคิดว่าถ้าใครเขาจับไปเขาจะฆ่าคงจะหอหนีผมห่ อ, อไม่ได้ เพราหายตัวไม่ได้เวลานี้ผมทําอะไรไม่ได้หมดไม่ใช่เวลาที่ทำแล้วก็ทาไม่ได้แล้วให้ข้ามอะไรก็ตายเมื่อนั้นหมดเรื่องหมดราวเป็นของสบายๆวิธีจะเล่นฤทธเขาบอกว่าให้ใช้วิทยาดีฐานจิตให้เกิดผลตามฤทธิ์ที่เราจะต้องการท่านบอกให้ทาดังนี้ขั้นหนึ่งเข้าชาญศีก่อน เข้าฌานสี่ในกระสิงกองใดกงหนึ่งเราจากจะต้องการเล่นลิศแบบไหนล้วก็เข้ากองนั้นเ <c oughs> มื่อออกจาฌานสี่แล้วอดิฐานว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเข้าฌานสี่อีกออกจากฌานสี่แล้วอดิฐานทับอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่เราต้องการจะสงความปรารถนานี่ว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นการฝึกใหม่ๆเขาทำกันแบบนั้น แต่เวลาผลที่ต้องการจริงๆเมื่อคล่องหมดทุกอย่างนึกผับเดียวทําเป็นเลยตามนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งรอเข้าฌานสีออกฌานสีนึกนกแล้วก็เข้าฌานสีแล้วก็ออกฌานสีแล้วก็ น, นึกนี่มันเป็นเรื่องที่ฝึกใหม่ๆวิธีฝึกอย่างที่ผมเคยเขียนไว้เมื่อฝึกเล่นฤทธิ์ต้องการน้ําแข็ง ก็น้ำใส่ถ้วยมาเข้าชานสีแล้วออกชานสีอดีฐานคอยน้ำในถ้วยนี้แข็งแข็งขนาดไหนก็ตามใจเราเนี่ยก็เข้าชานสีใหม่ออกจากชานสีอดีฐานให้น้านี้แข็งจิตทรงอยู่ในชานสีเอานิ้วจิ้มลงไปมันก็แข็งเห็นสีขาวเราต้องการเป็นสีเหลืองและสีทองก็ใช้ปิต ก, กรสินกรสินสีเหลืองเพ่งภาพสีเหลือง ความจริงมันกับแมพเดียวแล้วก็ขอให้ภาพให้สีนี่เป็นสีเหลืองนี่ก็เป็นสีเหลืองเป็นสีทองนี่วิธีปฏิบัติจริงๆไม่ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากทําให้มันคล่องซชกองใดกองหนึ่งก็แล้วกันแต่วิายาศักดิ์เทวธรรมในพวกศักดิ์เทวธรรมนี่พวกประทับปรมาณ์นี่ผมไม่เอาด้วย แล้วก็จงอย่าลืมว่าถ้าเราเราพิจรารณาก๊าซิงกองใดอยู่ถ้าว่าภาพอย่างอื่นปรากฏต้องตัดทิ้งไปทันทีนี่ไปของง่ายๆไม่มีอะไรยากส <c oughs> ำหรับกา ร, นรกนในระมิตก๊าซิงในรกองมีลากจุดหนายอย่างเช่นก๊าซิงก็ปะทวีก๊าซิงกับก๊าซิงดินดินนี่มีสภาพแข็ง ก็สามารถจะดดินมิรให้ของอ่อนเป็นของแข็งได้จะแข็งกนาดัไหนก็แข็งได้สำหรับอาโปกสินเป็นกสินกสินอ่อนอาโปกรสินี่ของแข็งละทิษฐานให้อ่อนได้ที่ไหนไม่มีน้ำอธิษฐานให้มีน้ำได้ถ้าต้องการให้ฝนตกก็ใช้อาโปกสินเหมือนกันถ้าอาโปกสินอธิษฐานให้ฝนตกฝนก็ตก <c oughs> น้ำมีน้อยเราทําให้น้ามากก็ได้มันก็ได้ทุกอย่างไม่แย่ปแปลกสำหรับเตโชกสินนี่ทําให้เป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้ทําให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้แล้วก็เตสําหรับเตโชกสินนี่สามารถเป็นเหตุให้เกิดทิพย์กยกยานเป็นสมุทรฐานของทิพย์โยกยานเห็นภาพต่างๆได้มีความเห็นภาพต่างๆคล้ายกับตาทิพย์ สำหรับวายโยกะสินนี้ลมนี่เบาทากายห้กายให้เบาลอยไปในอากาศได้ที่เราเหาะนั่นเองรู้ที่ไว้รั่วการไวจะได้ใช้ถูกสําหรับนีกะสินสีเขียวทาสถานที่สว่างสว่างให้มึดได้ทําสิ่งวัตถุต่างๆที่มีสีอย่างอื่นให้เป็นสีเขียวได้บีตะกะกะสินเป็นกะสินสีเหลือง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 แต่ถ้าว่าอย่าลืมสีมันเป็นทองคาแต่ถ้าหากว่าสีมันเป็นทองคำแล้วถ้าใยแข็งแบบทองคำต้องเข้าต้องใช้ปะทวีกระสินช่วยให้แข็งเหมือนทองคำเราจะวิสูตรได้เลยว่ามันเป็นทองคำแท้ใยเป็นทองคำกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ที่อยไปทำอย่าไปทำอย่างนี้ไม่ดี เขาทำเขาสร้างกันไว้คือสมาธิสร้างกันไว้เพื่อการบรรลุมรรคผลถ้าไปเล่นสุกสนนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ที่บอกก็บอกแต่เพียงว่าใช้ผลได้ตามนั้นสําหรับโลหิตกระสินสีแดงก็รอธิษฐานให้เกิดเป็นสีแดงได้ตามความประสงค์โอทายกสินสีขาวนั่นกล่าวว่าสามารถทําทีม่มืดมึดให้มีแสงสว่างได้ คือว่าทำสีอย่างอื่นที่ปรากฏให้เป็นสีขาวได้โดยถ้าที่ใดไม่เกินไปก็ทําให้เป็นแสงสว่างได้อย่างวาโยกสินนี่บางทีเขาไปอยู่ตามถ้ำตามผามถา้ถาหน้าอากาศมันน้อยเขาก็ทําให้มันมีลมพัดผ่านอยู่สเสมอเสมอมิมันมีความสุขมีความสบายสําหรับโอทาเตกสินนี่ก็เป็นสมุทฐานของทิพยคุยานเหมือนกัน ถ้าทำก็แล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานให้เกิดทิพยคุยานได้ <c oughs> สำหรับอะโลกะสินเป็นกสินแสงสว่างสามารถจะในมิตรรูปหรือว่าวัตถุต่างๆให้มีรัศมีสว่างสวัยได้เราทำที่มืดให้เกิดเป็นแสงสว่างก็ได้สว่างดีกว่าโอทายตะกะสิน กรสิกนกองนี้ก็เป็นกำลัสินที่เป็นพื้นฐานให้เตเกิดที่ปีกุญญาณเหมือนกันและก็เป็นพื้นฐานสร้างที่ปุกุญญาณโดยตรงสําหรับอากาศกสินสามารถทําจิตให้เห็นของที่ปกปิดอยู่ยี่ของมีอยู่ในหีบในกล่องในหอ่อในที่ไหนก็ตามถ้าเราต้องการจะเห็นก็ใช้อากาศกสินช่วย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 เมื่อทรงวิญญาหกก็มีมีสแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์ม่ก็ได้ทุกอย่างแต่ได้ว่าผมคิดว่าไม่เป็นเรื่อง <c oughs> แต่พวกท่านหลายยังหนุ่มอย่างสาวกันอยู่กพว่าหนุ่มสาวก็หมายความหนุ่มสาวในการปฏิบัติเรีกล่าวไปทีก็เรียกว่ายังใหม่อยู่ก็ได้ถ้าอยังหนุ่มอย่างสาวอยากจะเล่นก็เล่นแต่ว่าอย่าหลง เล่นแล้วก็อย่าหลงอย่าท่านลงตนว่าเป็นคนดีการทรงอภิญญาแบบนี้จัดว่าเป็นโล ก, กีวิสัยยังไม่มีอะไรที่ดีพิเศษดูในสมัยองค์สมเด็จพระบรมโลกปเชษพระเทวทัตท่านทำได้แบบนี้ท่านลงในความดีในที่สุดก็มีความอกตัญโยไม่รู้คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตายลงไปจริงๆแทนที่จะไปสวรรค์ไปผมก็ไปลงเอเวจีมหานรกซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นเด็กเกินไปเออเป็นเด็กใหม่เพิ่งสอนเดินคนที่เก่งในพิญญาสมาบัติแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในพิญญาสมาบัติ มีความทะน o n ตัวมีความเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้เป็นอะไรท่านถือว่าเป็นเด็กเล็กๆในการเจริญพระสมณธรรมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิโสดีอะไรเพราะเพราะว่าตัวเองในะยังไม่ได้คนนรกยังอยู่ในขอบข่ายคนนรก ฉะนั้นหากว่าท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อหวังผลพ้นจากความทุกข์ก็ให้ดูตัวอย่างพระลูกชายของในช่างทองพระลูกชายเขาในช่างทองนะท่านทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนตอนจะต้องกลับย้อนไปสอนใหม่อีกไหมผมได้เคยพูดแล้วว่านักปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่เคยปฏิบัติกันมาครูบาอาจารย์สอนแบบไหนท่านไม่ย้อนถอยหลังโลกพูดและพูดปฏิปฏิบัติจริงๆเขาก็ไม่ยอมย้อนถอยหลังพูดไปยังไงเขาจำแบบนั้นแล่ก็อาศัยปัญญาประกอบปฏิบัติให้ถึงเข้าถึงความดีความชอบให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการ ฉะนั้นถ้าหากว่าผมต้องพูดถอยหลังกลับอีกครั้งโดยที่ท่านทั้งหลายจำไม่ได้ผมก็ถือว่าเลวเกินไปสำหรับในสมณธรรมก็ว่าเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนาถ้าลองพูดอย่างนี้ผ่านมาแล้วจามไม่ได้ก็พยายามตั้งอกตั้งใจอธิษฐานจิตไว้ว่าตายแล้วจะไปนรกขุมไหนจะได้ไปได้สมความปรารถนา ถ้าท่านไโยคาวาจรท้งหลเวลาที่แนะนำกันเรื่องกระสินก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านพโยคาวาจรที่ท่านที่มีความปรารถนาดีปรารถนาชอบตามระบบของพระธรรมวินัยต่อไปสวัสดี